เพิ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การสำรวมนี่แหละเป็นความดีพระพธเจ้าทรงตรัสว่าจิตตะสังวโรความสำรวมจิตเป็นความดี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 ไหลไปตามอำนาจของกิเลสไอคนส่วนมากว่าจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นแหละเมื่อพระพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์จึงได้ทรงแนะนาทางสอนให้พุทธบริษัทนั้นรู้จักสำรวมตนความสำรวมนี้ต้องสำรวมทุกเวลานาที ไม่ใช่มาสำรวมแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นอันนี้เป็นการฝึกโดยเฉพาะอันนี้นะเมื่อฝึกนั่งสมาธิสำรวมจิตได้ในขณะนั่งสมาธินี่แล้วออกจากสมาธิไปก็สำรวมตนไปให้เป็นปกติไปอย่างนั้นนั่นจึง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 เห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นต้องฝึกนะเรื่องหัวนี้นะถ้าไม่ฝึกสำรวมแล้วมันแน่นอนแหละพอตาไปเห็นรูปสวยๆมันก็รักใคร่ขึ้นมาอยากได้ขึ้นมาทันทีอย่างนี้แหละแม่เสียงกลิ่นรถเครืองสัมผัสก็เหมือนกันเมื่อไม่สำรวมจิตแล้ว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 เช่นไปเห็นเมียเขาสวยๆแล้วอยากได้อย่างนี้น ะ, ะนั่นแหละมันมันผิดศีลแล้วเช่นไปได้ฟังเสียงภรรยาเขาขับร้องติดเสีติดเปลอ้ า, เ, อาเกิดรอบใจขึ้นมาแล้วมุนี้แหละสำหรับผู้ครองเรือนมันต้องพิจารณาให้รู้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 ก็เท่ากับว่าสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายนี่ได้ไปในตัวเลยเพราะว่ามันมีใจเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นนะถ้าสัมรวมใจได้แล้วใจสงบลงได้จากเรื่องนั้นแล้วก็เป็นนั้นว่าสงบไปหมดเลยแม้ว่าตามันจะได้เห็นรูปสวยหรือรูปที่ร้ายอะไรก็ตามแต่จิตมันก็ไม่ยินดียินร้ายไปตาม เพราะว่าห้ามจิตตัวเองได้แล้วนี่ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคารพหัดไม่ว่านักบวชให้รู้จักห้ามจิตตัวเองให้ได้ในขณะที่รู้ว่าถ้าปล่อยจิตนี้คิดไปในเรื่องนี้จะเป็นบาปจากเป็นโทษทิศทิณผิ ด, ดวินัยอย่างนี้แล้วก็รีบห้ามจิตของตนทันทีเลย มันต้องอย่างนั้นอันผู้ปฏิบัติทำในพุทธศาสนานีเนยต้องรู้จักสํารวมตนอย่างนั้นไอคนที่มันทำชั่วได้อยู่ในโลกนี้นะก็เพราะมันขาดการสํารวมตนนั้นเองมันไม่รู้จักสํารวมตนไม่รู้จักหักห้ามจิตใจตัวเอง มันเรื่องถูกกิเลสปาประรำ ม, มันฉุดคล้าเอาไปเลยให้บังคับกายวาจาทมชั่วพูดชั่วไปนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าวินัยหรือข้อศีลทั้งหลายนั่นเมื่อบุคคลสมทานมั่นลงไปแล้วมี ส, สมติสัมปชัญญะคอระมัดระวังไม่ให้ร่วงเกิน เช่นนี้นั่นแหละเรียกว่าเป็นการสำมรวมตนเลยทีเดียวสำมรวมตนจากบาปโทษต่างๆไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นในจิตใจ